เราเรื่องอินเดียต่ออีกสักหน่อยหลังจากที่ขึ้นเขาท่องแดนเรเทวภูมิของคนอินเดียนะวันท้ายๆก็ลงมาที่กรุงเด ล, ลี เมืองหลวงอย่างที่บอกว่ามันบรรยากาศมันเรียกว่าตรงข้ามกันเหมือนกับฟ้าก็เหวเลยจากสถานที่ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติล้วนมีแต่ภูเขาต้นไม้ แล้วก็แม่นม้ำที่ไหลเชี่ยวมาเจอเมืองที่อุปทึกคึกโครมนะจอแจเต็ไมไปด้วยผู้คนแต่ละจอยก็หักไข่ เสียงแตรเสียงหรือว่ากลิ่นควันมลพิษรวมทั้งอากาศที่ร้อนอ้าวอยู่บนเขานี่ไม่ค่อยบางช่วงก็ไม่เจอคนเลยเดินต่างคนต่างเดินเจอคนก็บาบาง ไม่ใช่เป็นที่ท่องเที่ยวของผู้คนเวลาไปไหนก็ไม่ค่อยมีคนมามากลุ่มรุมมาขายของมาของเงินเพราะมันไม่ใช่เป็นที่ท่องเที่ยวมันเป็นที่ที่มีแต่คนอินเดียด้วยกันจาริกมา แต่ระมาระมาเดลีก็ยิงไปอัคราด้วยอัครานี่เป็นเมืองเคยเป็นเมืองหลวงของอินเดียเหมือนกันก็ยังมีคนมาขอมาชวนให้ซื้อของมีคนมาขอเงินนะแต่ก็ยังดีนะไม่มากไม่มากเหมือนพุทธคยาหรือว่าสีสังเวชนิสถาน มันจะมีขอท า, านเยอะเพราะว่าคนไทยนิยมไปสแสวงบุญแล้วก็ให้ทานกับคนยากคนจนคนถ้าเป็นสี่สังเวชนีเด็กๆหรือขอท า, านก็มาเรียบถ้าเป็นผู้หญิงก็มาหารานี แต่ถ้าเป็นที่อักครานี่ก็มาขายของจากเดลีก็แวะไปอักคราอักครานี่เป็นเมืองที่มีชื่อว่าเป็นที่ตั้งของทัชมาฮารทัชมาฮานนี่ก็เป็นเรียกเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะหนึ่งในเจ็ดของโลก ไปอินเดียมาเก้าครั้งนะ้วก็เพิ่งครั้งนี้แหละที่ได้ไปเยือนทัชมาาลมาไปก็สะดวกเพราะว่ามีเพื่อนชาวอินเดียเขาจัดรถให้บอกเขาว่าห้าคนและเขาเอารถบัสเล็กมาให้เลยรถบัสเล็กนี่ยจุคนได้ยี่สิบคนได้มั้นั่งห้าคนหลงเหร็ง ก็ใช้เวลาพอสมควรนะอัครากับเดลีห่างกันแค่200กิโลใช้เวลา 3-4 ชั่วโม ง, ท, งทั้งที่นั่งใช้ทางด่วนเคี่ยวเกี่ยวคนคงเป็นเพราะคนขับนี่ขับช้าไม่รู้เป็นเพราะกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่ารถเก่งคันหนึ่งก็แซงเอาแซงเอาถ้าชมหานี่เราคงทราบดีมันเป็น อนุสรสถานที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าชาชาหานเพื่อเป็นทีร่ระลึกถึงมเหสีสุดที่รักนะชื่อมุมตัชมุมตัชหรือมุมตัชเนี่ยแกก็มีความอะไรเสียใจมาเพราะว่ามเฮสีก็ตายตั้งแต่ยังสาว ตายขณะที่คลอดลูกคนที่สิบสี่แต่งงานกันอาจจะสักสิบห้าสิบหกปีแล้วเรียกว่ามีลูกมาทุกปีเลยนะมีลูกทุกปีเลยแต่งตั้งแต่มุมตัศิลป์ยี่สิบ ก, กว่าด้มั้มตายอายุสามสิบเจ็ดประมาณนั้นนะก็แสดงว่ามีลูกเนะี่ยไม่ใช่ปีเป็นปีมีลูกทุกปีแล้ลูกดกมาก ก็แสดงถึคงความรักนะเพราะว่าจ้องจะมีลูกกับผู้หญิงคนนี้คนเดียวนะเราคงทราบว่าในในในวังของโมกุลเนี่ยซึ่งเป็นอิสลามเนกนะ็มีฮาเร็มมีฮาเร็มก็มีผู้หญิงมีนางสนมมีบาทบริจาริกามากมายนะแต่ว่าขช้าราหานนี้ก็ ก็ผูกพันรักใครกับกับมุมตัดคนเดียวไม่รู้ว่าเป็นเพราะข้อลูกมากหรือไง น, นะก็พอถึงข้อลูกคนที่สิบสีก็าตายาการจะหายก็เสียใจแล้วก็ได้สร้า ง, อ, งอนุสรสถานที่ยิ่งใหญ่ให้ใช้เวลาสร้างเกือบยี่สิบปีระดมคนระดมช่างที่มีฝีมือ จากไม่ใช่ทวีปอินเดียนะจากประเทศใกล้เคียงอิหร่านเรเปอร์เซียตะวันออกกลางเอเชียกลางช่างฝีมือโดยเฉาในในในฝ่ายมุสลิมในโลกมุสลิมแต่ก็ฮินดูก็มาเยอะเขาก็จำลองนะจำลอง สร้างทัชมหารเพื่อมันก็จำลองภาพสวรรค์เพราะเชื่อว่าเนี่ยทัชมหาหันมุนตั้นนี่ก็ตายเขาไปสวรรค์ก็เลยจำลองสวรรค์ขึ้นมาบนพื้นโลกในรูปของอาคารที่เราทัชมหารทำให้สวยใช้แต่สีขาวเป็นหลักนะสีขาวนี่เป็นสีขาวของหินอ่อน เป็นสิ้นอ่อนอย่างดีซึ่งจะให้สีแตกต่างกันตามช่วงระยะเวลาของวันสีมันจะมันจะสะท้อนแสงแตกต่างกันไปแต่ตอนที่ไปนี้ก็มันก็สว่างแล้วสายแล้วก็เห็นแต่สีขาวคนก็เยอะมากเพราะเป็นวันอาทิตย์ แล้วก็วันนั้นแดดก็ร้อนด้วยไปก็เจอแดดร้อนเปรี้ยงสงสัยไม่ได้ว่าถ้าชาชานมาสเสด็จมาเยือนทัชมาฮาเนี่ยตอนแดดร้นรอนๆเนี่ย จะรู้สึกอย่างไรเพราะว่าพื้นมันก็เป็นหินอ่อ น, นคือรอบรอบนี้ก็รอบรอดตัวอาคารนี้ก็เป็นหินทั้งนั้นระเบียงก็หินทางเดินก็หิ น, นก็ไม่รู้ว่าจะมะีความร้อนเหมือนคนทั่วไปหรือเปล่าแต่ไปแล้วก็ ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีบรรยากาศความรื่นรมเท่าไหร่แต่ถ้าพูดในเรื่องของศิล ป, ปะนี่ก็ถือว่าก็สุดยอดนะทั้งในเชิงของสถาปัตยกรรมทั้งในแง่ของอศิล ป, ปกรรมข้างในเนี่ยข้างนอกนี่ก็จะมีมีลวดลายดอกไม้ ดูลายใบไม้แต่ไม่ได้ใช้สีเลยนะแต่เป็นการสลักนะสลักเอาหินสีต่างๆใส่ลงไปในหินอ่อนสีขาวและยิงม่านม่านที่อยู่ที่คลุมอยู่รอบที่บรรจุศพนะของมุมตันเนี่ย ลวดลายนี่เป็นเป็นดอกไม้ทั้งนั้นแล้วดอกไม้นี่ก็มีสีสีลดหลั่นกันไปนะสีเขียวก็มีสีเขียวหลายเฉดมีสีถ้าเป็นดอกสีส้มสีแดงก็หลายเฉดมองบนผืนนึกว่าเป็นภาพวาดนะที่จริงเป็นการสลักเอาหินสีต่างๆใส่ลงไปันนีดมากเนียนมาก จนไม่มีรอยต่อเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นช่างที่ฝีมือเนี่ยเป็นเลิศมากสามารถที่จะเอาหินสีต่างๆนะประดับลงไปในในหินสีขาวจนเห็นเป็นภาพหลายเฉดคงทำนานทีเดียว ไปถึงที่บรรจุศพนะที่อยู่ใต้โดมก็รู้สึกแปลกใจที่มันเล็กกว่าที่คิดมากที่แรกนึนนกว่าเป็นห้องใหญ่ๆนึกภาพเป็นห้องใหญ่ๆที่ไหนได้ห้องเล็กนิดเดียวต่วชมหาในภาพความคิดนี่มันใหญ่พอมาเจอของจริงก็เล็กรู้สึกก็ความประทับใจก็เลยลดน้อยลงไป ตรงใต้ถุน่นตรงใต้โดมนี่ก็จะมีที่บรรจุศพอยู่สองศพตรงกลางที่เป็นศพของมุญตัตข้างๆเป็นศพของชาชาหานชาชาหานนี่ก็ให้ความสําคัญกั บ, บมุญตัตมากนะศพตั้งอยู่ตรงกลางส่วนศพตัวนี้อยู่เฉีงเฉียงแต่ว่าอยู่สูงกว่าพอให้รู้ว่าเป็นศพของกษัตริย์ แต่ว่าจุดเด่นก็อยู่ที่เป็นศพของหรือที่บรรนจุดศพของมุมใต้ก็จะคงอยู่ข้างล่างศพจริงๆงคงอยู่ข้างใต้ข้างล่าง ล, า ง, ลางไปที่ติดกับดินใช้อันุสาวรีนี่ก็ใช้เงินใช้ทองมหาศาลแล้วก็ไม่รู้ว่ามีการดรี้นาทาเล่น หรือว่าใช้กำลังกับผู้คนแค่ไหนเพราะว่ามันก็มีตำนานว่าช่างหลายคนที่ฝีมือสุดยอดพอทำเสร็จก็ถูกทำให้ตาบอดถูกทำให้ไม่สามารถจะไปสร้างสรร์งานให้กับที่อื่นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าไม่รู้จริงหรือเปล่า ขาชฮานนี่ก็ชีวิตเขาก็กระทมนะเพราะว่าเศ ร, ร้าโศกอาไรกับการตายของเมียเป็นสิบปีสุดท้ายก็ตายไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าลูกชายคือออรังเซฟเนี่ย ยืดตำาหน่ชาชาหานี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบเอารังเซ็ปเท่าไหร่นะเอารังเซ็ปนี่ก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนมุทลุกก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมีความละเอียดสุคุมชาชาหานี่ไปชอบลี ก, กคนหนึ่งซึ่งเป็นคนฉลาด ชื่อโดซาหรือโทษะถ้าเราอา่านง่าโทษาได้ชื่อโดชาโดชานี้น่าสนใจเนี่ยเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่สนใจศึกษาศาสนาทั้งอิสลามและฮินดูแล้วก็มีความคิดว่ามีความใจกว้างว่าฮินดูกับอิสลามก็พุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันนับถือพระเจ้าองค์เดียวกัน คำพีต่างๆที่เป็นคมพีศักดิ์สิทธิ์ของฮินดูเช่นริกควเวเนี่ยเาก็เชื่อว่าเป็นการเปิดเผยของพระเจ้าอีกแบบหนึง่งเพราะว่าในคมพีอัลกุรอานาก็จะบอกว่าก่อนที่ศาสดาโมฮัมหมัดจะมานี่พระเจ้าก็เปิดเผยเพร่อเปิดเผย พ, พระวจ น, นะกับผู้คนอื่นมาแล้ว แล้วก็เปิดเผยผ่านคำพีต่างๆของโบราณโดชานี่โดโดซานี่ก็เลยเขาก็ตีความว่าเนี่ยคำพีลึกโคเวนี่ก็บรรจุนะพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ชาวมุสลิมก็ควรศึกษานั่นก็เป็นความใจกว้างของของ โดสานะซึ่งก็เรียกว่าเจริญรายตามเจริญรายตามปูนะปู่นี่ก็คืออักบาอัคบานี่เป็นมหาราชในอินเดียนี่มีมหาราชอยู่ธสององค์องค์แรกคืออโศกมหาราชยุทธสองคืออักบามหาราชอักบานี่เป็นมุสลิมนะแต่ว่าใจกว้างเปิดกว้างให้ทุกศาสนาไ ด, ไ, ด ไ, ดได้ศึกษาได้เผยแผ่ เมื่อดกับพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกนี่ก็ก็เปิดกว้างนะให้ทุกาศาสนาแม้ว่าพระเจ้าโศกนี่จะจิตใจ จ, จะนบเอี่ยมมาทางพุทธศาสนาแต่ว่าก็อนุญาตให้ทุกาศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธฮินดูเชนได้เผยแผ่อุปธรรมทุกาศาสนานอักบานี่ก็เป็นอิสลามนะแต่ว่า ก็ใจกว้างต่างจากพ่อต่างจากปู่แล้วก็พยายามเพราะเขารู้ว่าเนี่ยความขัดแย้งทางศาสนาเนี่ยมันจะทำให้บ้านเมืองมันวุ่นวายอักบาเนี่เป็นคนที่แปลกเหมือนกันก็คือว่าอ่านหนังสือไม่ออกตรงข้ามกับปู่ปู่นี่ชื่อบาบูนี่เป็นนักรบแต่ว่าเป็นคนที่มีความ สนใจเรื่องศิลปะวรรณคดีเขียนอัตชีวประเขียนอาตาชีวประวัาตาิของตัวนี้เป็นเล่มหนามีเวลาขณะทำศึกสงครามเพื่อทั้งชีวิตอายุก็ไม่มากสี่สิบกว่าแต่มีเวลาเขียนบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเกี่ยวกับพืชพันธุ์ดอกไม้ผลไม้แล้วก็ สิงสาราสัตว์ที่ตัวเองค้นพบเป็นคนที่ช่างศึกษาความใฝ่รู้นี่ก็มีในอักบาในอักบานี่ไม่ไ ม, ไม่มีอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ทั้งที่มีห้องสมุดนี่ใหญ่ห้องสมุดมีหนังสือเป็นหมื่นหมื่นเล่มแต่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ฉลาดก็ส่งเสริมให้ทุกศาสนาได้เผยแผ่ วิน้ำซ้อยังพยายามสนับสนุนให้ทุกศาสนาได้เรียนรู้จักกันและกันมีการเอาผู้รู้ทางศาสนาต่างๆนี้มาสนทนากันตัวอักบัยก็สนทนากับผู้รู้ระหว่างศาสนาด้วยแลน่าสนใจคืออักบายนีย่ก็เคยให้ความสำคัญพุทธศาสนาทั้งที่พุทธศาสนาตอนนั้นเนี่ยประมาณสี่ห้ารปีที่แล้วนะ สาบสูญไปแล้อินเดียนะแต่จะว่าดไปก็ไม่ได้สาบสูญทีเดียวก็ยังมีพระอยู่ที่รู้เพราะว่าเขามีการบันทึกว่าอักบานี้ก็เป็นนิมนต์ส ม, มณะนะส ม, มณ ะ, ะฉันใช้คำว่าสั ม, มณะในพุทธศาสนามาสนทนาธรรมก็แสดงว่าพุทธศาสนาก็ไม่ได้รรรรสูญพันสาบสูญไปจากอินเดียก็ยังมีพระอยู่แล้วก็ยังมีการสืบทอดธรรมะพอสมควรจนกระทั่ง อักบานี้ก็สามารถจะไปนิมนต์พระนะมาสนทนาธรรมนะอับานี้ก็ใจกว้างขนาดที่เรียกว่าไปไปไปบูชานะนะไปสักการะนะนะพระเจ้าที่แมน่นะ้ำคงคาซึ่งกษัตริย์ มุสลิมเขาไม่ทำกันโดโดโดซานี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะเป็นหลานของอักบาก็พยายามที่จะเชื่อมระหว่างาศาสนาอิสลามและฮินดูแล้วก็ชาช า, าซึ่งเป็นพ่อนี่ก็คาดหมายว่าจะให้นี่โดโดซานี่แหละขึ้นเป็นกษัตริย์แต่อารังเซปนี่ไม่ยอม อังเซนเนี่ยจะสูยอิจฉาพี่หรืออาจจะมีความมักใหญ่ไฟสูงหรือจะมีความคิดว่าไอโดชาโดซ า, าเนี่ยถ้าว่าได้เป็นกษัตริย์เนี่ยมันจะทำให้าศาสนสสลามถดถอยก็เลยยึดอำนาจแล้วก็ตามล่าตามล่าพี่ชายจับได้ก็เอามาฆ่า ญาติญาติผู้ใหญ่ขอร้องอยังไงก็ไม่ยอมก็ถือว่าทำเพื่อา ศ, าศาสนาโดสานี่เรียกว่าจะทำให้อิสลามหม่นหมองหรือไงก็ไม่รู้หรือเพราะว่าต้องกำจัดคู่แข่งให้สิ้นสร้างอันนี้ก็เป็นธรรมดาของกษัตริย์ในราชวงศ์ต่างๆแต่ว่าราชวงศ์โมกุลนี่เป็นราชวงศ์ที่พิเศษนะคือ ลูกนี่ยึอดอํานาจจากพ่อนี่แทบจะทุบราชการเลยหรือจะพยายามเป็นกบฏยึอดอํานาจแล้วก็ลูกฆ่าพ่อนี่ก็เกิดขึ้นหลายราชการมากในในรัชวงโมกุนอันนี้คยแค่พม่าพม่านี่ก็ลูกฆ่าพ่อเนี่ยเพื่อยึอดอํานาจนี่เกิดขึ้นบ่อยมาก อันนี้ก็เป็นความแตกต่า ง, งระหว่างพม่ากับไทยนะพะม่า ก, กับไทยนี่หลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยเหมือนกันคือการทําปีตุฆานี้เกิดขึ้นในพม่าบ่อยมากและพอฆ่าทีหนึ่งก็ต้องกวาดล้างกวาดล้างคนใกล้ชิดทั้งของพ่อแล้วก็ของลูกคนอื่นๆด้วยการกวาดล้างเนี่ยในรัศมีดังนของพม่านี่เกิดขึ้นเป็นประจํา มันก็เลยขาดคนมีความสามารถก็เลยล่อยลอลองไปเรื่อยๆจนทั้งสุดท้ายก็พ่ายแพ้กับอังกฤษแต่ว่าของของไทยเราถึงแม้จะมีการยืดอำนาจรัฐประหารปราบดาพิเศษเป็นประจำในสมัยวิทยาเนี่ยแต่ว่าไม่เคยถึงขั้นให้ลูกฆ่าพ่อนี่มีน้อยมากแล้วยิ่งกวาดล้างภายในรัฐสำนักก็น้อย นี่ราชวงโมกุฎก็เหมือนกั น, นอ่านดูแต่และแต่และแต่และกะษัตริย์แต่และแต่และรุ่นนี่ก็กวาดล้างกันอเอาลองเ้นนี่ก็อีกคนหนึ่งเนี่ยจับพ่อมาขังไว้ในไว้ในป้อมป้อมนี้จะว่ามันจะเป็นป้อมทหารก็ไม่เชิงมันเป็นพระราชวังไปในตัวด้วยก็เรียกป้อมอัครชื่อป้อมอักคราแต่เข้าไปดูข้างในนี่มัน มันไม่ใช่แค่ปอมนะมันเป็นปราสาทมันเป็นพระราชวังแล้วก็ปูด้วยหินทั้งนั้นทางเดินก็หินรนะะเบียงก็หินเดินที่นันไปตอนบ่าย ก, ก็ร้อนไม่รู้ว่าพรวงนี้เขามีความสุขได้ยังไงนะอยู่กันยังมีความสุขได้งไงใน ในในในวังที่มันร้อนอย่างนั้นนะไม่เหมือนวังนของไทยเราเนี่ยก็ทําหรือวังของพม่าเนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ทําด้วยไม้ทําด้วยไม้ราคาแพแล้วก็ปลูกต้นไม้เยอะวังของจีนนี่ก็หินทั้งนั้นไปมอไปทางไหนก็ปลูกโดยหินสร้างด้วยหินไม่รู้พวกนี้ มีความสุขได้งไง ก, การอยู่ในวังที่ทำด้วยหินพอถึงหน้าร้อนนี้ก็ร้อนมากนี่ต่างจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่วังเขานี่ต้นไม้เยอะมากแล้วก็สร้างด้วยสร้างด้วยด้วยไมย้ก็วังของจกักรพรรดิในในเกียวโตหรือว่าในโตเกียวนี่ก็ต้นไม้ร่มรื่น มาแสงรถสัญยมที่แตกต่างกันอันนี้ของแขร์นี่ก็เหมือนกันมีแต่หินทั้งนั้นก็ได้ไปดูตรงบริเวณที่เขาขังชาชานเอาไว้มันก็เป็นด้านเป็นมุมที่ที่มองเห็นทัชมาฮาลได้ไกลไกลก็นี้เนี่ยดูทัชมาฮาลแล้วนะดูประวัติแล้วนี่ก็อยากจะนึกเปรียบเทียบไปถึงสารจิศารจิเนี่ย พระเจ้าโศกสร้างวัตถุประสงค์คล้ายๆกันนะก็คือเพื่อเป็นอนุสรสถานให้กับมเหสีแต่คงไม่ใช่อั拉มมเหสีนะเพราะว่าไม่ได้เอาไปอยู่เมืองหลวงด้วยนะแต่ว่าแต่งงานกันสมัยที่เป็นคล้ายๆเป็นเป็นโอรสันนะเมืองววิทิสา สันจีนี่ก็เป็นสถูปนะที่บรรจุพระบุมสารีลิกธาตุที่คนไทยก็นิยมไปเพราะถือว่าเป็นเป็นเป็นสถานที่สำคัญสวยงามแต่ว่าไม่ไม่ยิ่งใหญ่อลังกาเท่ากับทัชมาฮารเคยไปกับหลวงพ่อคำเขียนเมื่อปีสามสี่ตอนที่ไปนี่ก็ไปยากเพราะว่า การท่องเที่ยวก็ยังไม่แพร่หลายนั่งรถไฟไปนั่งรถนั่งรถไฟแล้วก็นั่งรถตุ๊กๆ ต, ต่อไปลมรื่นสันจีเนี่ยสร้างโดยพระเจ้าโศกไม่ได้ใช้ทุ่มเทงเงินทองมากแต่ว่าทำอย่าง เรียบง่ายเรียบง่ายในเชิงขนาดนะแต่ว่าลวดลายศิลปรกรรมนี่ก็สวยพระเจ้าโสรี่อยู่ในอยู่ในอยู่ในพศประมาณพศสามร้อยสองร้อยสามร้อยสารจีนี่ก็ประมาณ 300, อสามร้อยพศสามร้อยส่วนทัชมาฮานี่ก็ประมาณสองพันหนึ่งร้อยห่างกันพันเกือบสองพันปี แต่ว่ามีอะไรแตกต่างตัวข้างมันเยอะเลยน อ, นอกจากความฟุงฟ้งเฟ้ออลังการจะจะน้อยกว่าแล้วที่สัจนจีนี่ที่น่าสนใจคือว่าลูกของมาเหสีพระเจ้าโสเนี่ยก็ตรงข้างมันนะ ลูกของมุมตันนี่ก็คืออารังเซ็ก็ททำการปิตุฆาตฆ่าพี่ชายแล้วก็ก่อศึกทำศนะึกสงครามตลอดชีวิตเลยจนกระทั่งอายุ90บปีอารังเซ็เนี่ยอายุยืนมากนะอายุถึงทําสทำศึกสงครามตลอดมีนิสัยใจคอโหดเที่ยมฆ่ากวาดล้างคนาศาสนาอื่นจะเป็นฮินดูก็ตามจะเป็นาศาสนาเชงก็ตามไล่บีไล่ทำลาย ลูกนะของอพระเจ้าโศกที่เกิดจอมเหสีเนี่ยคนเนี้ยเป็นพระอรหรันตะ์ทั้งลูกชายและลูกสาวพระมหินนะก็เป็นก็ถือว่าทางภูเขาถือเป็นพระอรหันต์พระนางสังคมิตตาพระสังคมิตาเถรีก็เป็นพระอรหรันต์ นะทั้งสองท้งก็มีบทสำคัญในการเผยแผ่นำพุทธศาสนาไปลังกาแล้วนะตรงข้ามกันเลยนะลูกของไมเหสีพระเจ้าโศกซึ่งเป็นที่มาของสันจินะกับลูกของบุมตัดนะซึ่งเป็นที่มาของทัชมาฮานะเรียกว่ายวนคนละรั่วเลย ื่องก็น่าสงสัยนะว่าอันนี้ก็สะท้อนถึงความการอบรการเลี้ยงดูนะของสองคนด้วยนะแลการที่ลูกนี่จะเป็นผ้ารานได้นี่ก็ต้องอาศัยการเลี้ยงดูที่ดีนะของแม่เอาลังเซ็บเนี่ยนิสัยใจคอแบบนี้ก็น่าสงสัยว่ามุมตดสอนลูกอย่างไร ทำไมถึงลูกจึงกลายเป็นคนที่ใจคอโหดเที่ยมแบบนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นภาพภาพขัดแย้งที่น่าจะนามาเปรียบเทียบกันเป็นอนุสรสถานที่เราลึกถึงพระเมหสีเหมือนกันนะแต่ว่ า, ามีอะไรหลายอย่างที่ขัดแย้งแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว มุมตันเนี่ยจะเป็นที่รักของของชาชาหานะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามีเวลาเลี้ยงดูลูกแค่ไหนไหน เ, นเพราะมีลูกเยอะก็ได้นะลูกออกลูกที่เกิดขึ้นเลยเพราะเอารังเซนนี้ก็เลยกลายเป็นลูกที่ เ, เป็นลูกทอรพีตอนหลังชาชาหารก็ตายนะตายตายในคุกนะเขาว่า ภาพสุดท้ายนาทีสุดท้ายของชาชาหานก่อนตายคือมองไปที่ทัชมาหานจากหน้าต่างในป้อมอัครานะก็คงรันทดนะรันทดทั้งที่เกี่ยวข้องกับเมียแล้วเกี่ยวข้องกับลูกด้ยวยนะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นอีก เป็นง่คิดอีกอย่างนนะที่ได้ไปเห็นเมืองอัคราแต่ไปแล้วโดยภาพรวมก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะอัครา เ, เพราะว่าไอ้เข้เาไปในบรรยากาศที่มันมันไม่ค่อยน่ารื่นรมเท่าไหร่คนที่ไปตอนเช้าๆนะอาจจะประทับใจในทัชมาฮ แต่ว่าถ้าหากว่าจะให้ดีก็น่าจะไปไปเยือนสะันจีด้วยคนไทยไปเยือนสี่ทั้งสังเวยก็ไม่ค่อยได้ไปสันติเท่าไหร่เพราะมันคนละทางกันเนะมืองวิทิสารแต่เดี๋ยวนี้ก็ไปกันมากขึ้นเรื่อยๆสันจีนี่ก็จะว่าไปคนไทยแล้วก็เป็นชาวพูดเราก็เป็นน่บุญคุณคนอังกฤษนะเพราะว่า ส, าาสันจีเนี่ย ถูกฝังไว้ในดินเนี่ยเรียกว่าถูกละเลยไปเป็นเวลาเกือบสองพันปีคนเดียวก็ไม่ค่อยสนใจฝรั่งเนี่ยเขามามาขุดค้นเจอแล้วก็พยายามศึกษามันมาจากอะไรเนี่ยสันจิหมายถึงอะไรสุดท้ายเขาพ อ, พอสันจิก็เป็น อนุสนสถานนยของพระเจ้าโสเพราะมีเสาโสกตั้งเอาไว้ฝรั่งก็ยังค้นพบว่าถึงความสาคัญของพุทธคย า, าแยต่กลก็ต้องเป็นวัดอินทินดูอันนี้ในแง่หนึ่งคนไทยเราก็ชาวพุทธเรากา็ต้องเป็นหนี้บุญคุณฝรังนะ่งซึ่งเขาทำให้บอดสาพุทธศาสนาอินเดียนี้กลับมาเป็นที่รู้จักนะก็เป็นฝรั่งนี่แหละที่มาคนา้นคว้า ว่าจนคนพบว่าพุทธศาสนานี้เคยเรืองรองในในอินเดียไม่ใช่เฉพาะในอินเดียปัจจุบันทั้นแต่เรืองรองไปจนถึงอัฟกานิสถานปากีสถานคันทาระนะหรือว่าเมืองใกล้ๆกเนี่ยก็เคยเป็นเมืองที่พุทธศาสนาเรืองรองมากแต่ทีนี้ก็เป็นเมืองมุสลิมไปแล้ว เปชวาเนี่ยเปชวานี่เป็นเมืองของรู้สึกย์เป็นของอัฟกานิสถานหรือปากีสถานไม่แน่ใจแต่ว่าความเป็นมาเมื่อพ2 0นสปีที่แล้วนี่เรียกว่าเต็มไปด้วยวัดวาอารามสถูกทางพุทธศาสนามากมายอันนี้ก็ที่เรารู้เพราะฝรั่งอังกฤษเนี่ยมามาขุดคน้น จนกระทั่งบันทึกไว้ให้ให้เราได้รับรู้ก็เล่าเรื่องอินเดียนะพอเป็นสังเกตเท่า น, นี้ก่อนอกลับคปับ